อุรมะโยกันฟังเรื่องหน้าที à, ่ของเราในละพวกเราก็มุ EN ่งมั่นมุ Giant, ่งหมายการปฏิบัติธรรมมันเป็นจุดสูงสุดของชีวิตเราถ้าเราไม่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 ม่ลูกไม่มีเมียไม่ีบ้านไม่ีช่องไม่ีทรัพย์สินสมบัติมีทรัพย์สินสะดงคารมันเป็นสมมติบรรญัติแต่ว่าไม่เป็นปรมัักรปรมาักรปรมาจักปรมักสัจจะก็คือความไม่ทุกข์เป็นชีวิตที่ไม่ใช่ชนะตัวเอง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 โลกของโลกมีมากมายโลกของนามก็มีมากเมืนกิเลสตั้งพันห้าจันหาทั้งร้อยแปดแต่โลกของโลกนี่ก็มีมากต้องมีอันอื่นมาช่วยความหนาวก็อาบอาห่มผ้าเปียงไปความร้อนก็อาบนาม้มพัดลมมาพัด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 เวลามันคิดเนี่ยก็อา่าจะเปรียบก็บลู้ลู้ไวไปมันก็ยงจับปั๊บไล่ปับ๊บยงจับปั๊บไล่ปับ๊บไล่ยงอยู่ตลอดเวลามันก็เห็นยงยงที่ถูกไล่บ่อยบ่อยจนชำนาญในการไล่ลูกพปับทันที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 เรากำลังขยันลูกเราก็พอไม่คิดกนมากะอย่าอารุ่มอร่วยอย่ายอดย่อนไปกับความคิดเหมัอนกับถ้ายอดย่อนเปกับความคิดเดี๋ยวกิดมันจะดื้อ น, นะเราจะปล่อยความคิดไปเรื่อยมันก็จะสุกสนไม่มีตัวลูก เมื่อเราสอนมันบ่อยๆมันก็จะจะสอนง่ายถ้าเราไม่สอนมันมันก็ด้านๆได้พอาัน่คิดกับกลูกปั๊บมันกับพวกกับอาจารย์เมื่อวานนี่เราไม่คิดปั๊บกลูกปั๊บลูกปับกป๊บใส่ใจตรงนี้ใส่ใจตรงนี้เพราะเราความเพียรอยู่แล้วเราดูอยู่แล้วเรามีหลักอยู่แล้ว มันนี่เป็นเป็นสิ่งที่ใส่ใจมากมากเท่ากับเท่ากับการใส่ใจการเจตนาสร้างแจงหวะนั่นแหละเพราะกาันว่าเป็นทางกิจมันมันอยู่ตรงนั้นแหละทางกิจก็อยู่ที่กิจมันเกิดที่เดียวกันนั่นแหละเราวลูกมันก็อยู่ที่กิจมันอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละมันก็อึไว้เดียวจะเห็นจริงจะเห็นชัดเจนก็ตรงนั้นแหละ หรือจะชนะก็จุดนั่นละ่ะจะแพ้ก็ตรงนั่นแหละเราใส่ใจลองดูไปเพ่งนะแต่ดูเนีไม่ใช่เพ่งนะถ้าถ้าหลงก็กลายเป็นความไปเพ่งไปเพ่งไปจ้งองก็เครียดก็หนักไปเลยทำสบายสบายความสบายความสะดวกนี่ต้องคคู่กันไป แล้วก็อย่าไปอยากลูกอยากเห็นอย่าไปกิ้งจังจนจับผิดจับถูกตัวเองจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้อย่าไปอย่างนั้นทาอย่างนั้นมันพิษมันจะเคโกรเลสะไล่ทำสบายสบายดูสบายสบา ย, บายมไม่หมดเทีเ่ยวหมดแรงอะไรหรอกทำถ้าทำถูก ม, มันมันมแรงถ่วงพอดีพอดี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 มันก็คนเพ้าประตูอันที่จะออกมันก็ออกประตูมันจะเข้ามามันก็เข้าประตูแต่เราพ่อดูอยู่แล้วแต่เราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆลูบ่อยๆลูกบ่อยๆอ่ามันก็จะจำนี้จำนาญเห็นอย่างเก่าเห็นอย่างเก่าเห็นอย่างเก่าคือคิดอย่างเก่าเห็นอย่างเก่าควาคิดก็คือคนคิดตัวลูกคือตัวลูก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 ก็ลเล่นไปวันก็นเราหัดตัวหัดควยเทียมหดเทียมเกวียนเวลามันไม่ดิ่นไม่ซุกซนไม่ถล่มถลีถ่แล้วก็หนั่งไปสบายขับไปสบายกระดิกเชือกไปสบายแต่มันเชื่องแล้วไม่ต้องลงไม่เลียวถตมันเชื่องแล้ววัวเทียมเกวียนเออมาก เทียมอ่านใส่ใจบังเหียนเราต้องการอยากให้มันช่าเราก็แสดงกิย า, าถ้านั่งท่ากะดิกขาต้องการให้มันวัก็ท่านั่งท่ากะดิกขาที่มันแรงๆบอกมันด้วยบางทีมัน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 นี่คือความเพ Denver, ็ิทางกิตมันจะเป็นอย่างนั่นล่ะการควาเพลิทางกิตไม่ใช่เป็นนั่งสงบนะกิตไม่มีตัวรูดตัวหลงก็ไม่ได้ควาเพลิไม่มีประสบการณ์ต่อให้มันมันจะหล้หลงเลยออกมาแล้วก็รู้อยู่เราดูอยู่เราดูอยู่แล้วผมหยองยังสอดแทรกมายังโผมาบ๊อบบ๊อบแบมๆรู้เอาไว้รู้เอาไว้รู้เอาไว้ดูเอาไว้ดูเอาไว้โอ้สนุกดี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 เรียกว่าหีนาธรรมหีนาธรรมมาแต่ว่าเล่นตัวนี้อัจฉริธรรมเป็นธรรมที่เล่นงานกันมันควรู้จุกตัวเนี่ยอัจฉริธรรมมาปัาธรรมมาหีนาธรรมมาปัญาธรรมมาอัจฉริธรรมมาลูวว้ลูไว้ไว้ลูไว้ไว้ให้มันชำนาน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 างน้ามีน้ำร่อนพักผ่อนดื่มน้ำร่อนน้ำบุญ น, น้ำชาสำป้ายนั่งด้วยกันถ้ามีอะไรก็ถามกันทุกวันทุกวันถ้ายุมากขึ้นมากขึ้นผมก็ว่าบางคนที่เป็นอย่างนั้นตาลาก็เป็นที่กันยุ่ง แล้วก็หงน้ำห้องส้วมร่กันปฏิบัติกัรจริงๆ่ย จ, จริงเลยตรงนี้แหละแต่ว่าอันนั้นมันยังไกลเราอยู่แต่ว่าตัวจริงคือตัวรู้นี่แหละมัามเป็นทางคิดนี่นแหละ <c oughs>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 เราก็ให้ภูมิใจเถิดให้เรามั่นใจตัวเองให้มากมันก็อยู่นี่แหละใกล้ตัวเราที่สุดความหลงกับความโลภไม่ได้ไปหาที่ไหนไม่ต้องเสียเวลาเพียงแม้แต่เสี้ยววินาทีเอาความรูภมาแก้ความหลงไม่ต้องนั่งรถไปหาหมอที่ไหน